องเราหมดไปเรื่อยๆตามการตามเวลาลเราไปรอให้ความเกิดความแจ่ความเจ็บความตายเป็นที่กลืนชีวิตของเรามันก็เสียชาติเราต้องมากลืนชีวิตกลืนกินเวลาอามาเป็นประโยชน์เพื่อให้เกิดการบรรลุธรรมเดียวการบรรลุธรรมเนี่ ต้องเป็นสิทธิของชีวิตรเร า, เร า, เ, ราเราสามารถทำได้สร้า ง, างเอาได้เข้าถึงได้ในคำสอนพระพุทธเจ้เาสามารถทำได้แ้วพระพุทธเจา้าเราภาษาพกปรรลุถึงชีวิตที่ททเป็นอมต๊ะ มานานแล้วเราเรายังแกสะลัสิทธิ์ไม่ได้แล้วก็มีสืบมาจนถึงทุกวันนี้มีครูบาอาจารย์มีผู้บอกมีผู้สอนจนบัดนี้ก็ยังมีอยู่เห็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเอามาบอกเอามาสอนอก็ยังเป็นจริงอยู่ ใม่ผู้พูดเสียงพูดก็ได้ยินผู้พูดก็มีตัวมีตนสอนให้เจริญสติเอากายมาสร้างสติเราก็ทำได้สติคือความรู้สึกความระลึกได้เอามาเป็นตัวรู้เอากายมาเป็นสมบัติของตัวรู้เอากายมาเป็นวัสดุอุปกรณ์ <g ills> <g ills> <g ills>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 เวลานี่เรามาปฏิบัติเวลานี่เรามาเจริญสติอันอื่นเอาไว้ก่อเรามาสร้างความรู้สึกตัวมา <c oughs> สร้างความรู้สึกตัวให้มันมากขึ้นที่เราคือทำตรงนี้สราความรู้สึกตัว ต่อเนื่องอยู่ในกายในจิตนั่นแหละจะเป็นการเป็นงานเป็นกอบเป็นกรรมเป็นมกเป็นผลได้ชีวิตเหตุการเกิดเจ็บเจบตายในรกำเนิดเกิดขึ้นของมกผลในภานคือชีวิตที่เป็นมาตรสถานชีวิตเป็นอมตะเราเริ่มต้นจากตรงนี้กัน ขออย่าได้เอาชีวิ ต, รตเราไปใช้อย่างอื่นจนหมดวัยหมดข้าหมดเวลาหน้าที่กร ะ, ะตือรือล่อนหน้าที่ที่เราจะควรขวาย <c oughs> ในเรื่องนี้กันให้มากมากสัก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 ว่าแต่เราอยา่าหลงทิศหลงทางมันมีลอยรอยของขวมรู้สึกตัวมันก็ลอยวัวรอยควายที่เราเมื่อมีโจรล้วไปเราตามเอาตามรอยวัวลอยควายของเราจนได้ตัวมันจะที่งลอยแกะลอยให้ดีๆลอยพระพุทธเจ้า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 กับสิ่งที่ไม่ใช่ความรู้สึกตัวนะมีโอกาสทำห้แก่กล้าทใหมมากแต่จะเป็นอินซีก็คืออินรีแก่กล้าอินซีของสติสติอินซีไม่ใช่ตาใช่หูไม่ใช่จมูกลล่นกายใจที่มันเป็นใหญ่อย่างเดียวชีวิตเรามันมีสติเป็นใหญ่ด้วย ถ้าเราไม่ฝึกมันก็ตาหูจมูกกลิน่นกายใจลูบรสกรินเสียงมันเป็นใหญ่มันใช่ชีวิตเราบางทีมันก็ไปทางตาตาพาลากพาถูไปบางทีมันก็พาไปทางจมูกไปเห็นได้กลิ่นมันก็ไปตามจมูกตามกลิ่นบางทีมันได้รสทางลิน้นมันก็ไปตามลินม้น ห อ, อบกนไปส่วนอื่นก็ลูไปตามเพราะลื่นมีกําลังก็ลากไปโอ ไ, <ป> oh, ไปฟังเสียงก็ลากเอาอันอื่นไปตาลื่นก า, กายก็ไปใจก็ไปถ้าหูมันกำลังมันมากจมูกก็เหมือนกันกายก็เหมือนกันใจก็เหมือนกัน กิริ ใ, ใจที่มันย่อมอารมณ์อ่อยความรักความชังมันก็ตามไปในความรักตามไปในความชังถูลากกันไปมันแย่งความเป็นใหญ่ในตาในหูในจมูกลื่นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงเราก็เสียเวลาหมดเรี่ยวหมดแรงกับสิ่งเหล่านี้มา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 ท่านั้นเองไม่ใช่เอาลิ่นไปชีมดูเสียงไม่ใช่เอาตาไปฟังเสียงมันก็ไม่ใช่ก็จอกะจอกพว ก, ก, กอินสรีย์รอนั้นถ้าสติเนี่ยสติอินทรีย์เนี่ยสามารถเป็นใหญ่อยู่บนรูปลดกลิ่นเสียงตาหูจมูกเล่นกายใจ สิ่งเหล่านั้นก็รับใช้ไปเลยเอาไปเอามาตัวสตินี่ก็เอาตามาใช่เอาหูไม่ใช่เอาจมูกเอาลล่นเอากายมาใช่อ่ามันก็เป็นธรรมนันเป็นอย่างนี้การปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปคิดรู้ทำให้มันเป็นเอ่อสติเป็นใหญ่ สติอินทรีย์เป็นใหญ่เกิดความเป็นธรรมเมื่อมีความเป็นธรรมมันก็มีอำนาจเม่มีอำนาจก็เป็นใหญ่เป็นใหญ่เหนืออาการทั้งหลายเรียกว่ามักผลในผานคือแท้ก็คือสติเป็นใหญ่สติเป็นหน้าโลกพระเขี้าวศกคือพระอรหันต์ผู้มีสติเป็นหน้าโลก เราจึงมาสร้างตัวนี้กันอย่าข้องอย่าแวะเวลานี่เรามาไปกับเรามาไปก่อนเรามาเดินก่อนเหมือนคนเดินทางเหมือนคนทำงานทำการเช่นชาวนาเวลาปลูกข้าวเขาปลูกข้าวเสืก่อนอันวเดินเอาไว้ก่อนเราเกี่ยวข้าวเขาเกี่ยวข้าวเสียก่อนอันวเดินเอาไว้ก่อน แล้วเขาก็ได้ข้าวเขาก็ดูแลข้าวเป็นมักเป็นผลขึ้นมาข้าวจะได้จากการกระทาก็ไปมาเป็นเลือดเป็นเนือเป็นชีวิตของพวกเราการเจริญสติเนี่ยเป็นอาหารใจอาหารกายด้วยกายใจเด้ถ้ามีสติเขาไปจะเป็นพลัง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 เอาเกิงเอาผิดเอาถูกปยกันใหญ่แล้วผลเราก็ไปแก้ให้กันฟังวิตกกังวลในควาำฝนเชื่อมั่นฝนลล่ฝนดีถ้าเรามีสติเนี่ยถ้าจะหัดให้มีสติหัดให้ไม่ฝนก็ไม่ต้องแก้ไม่ต้องแก้คำฝนไม่ต้องลำดับไม่ต้องจำไปซื้อ มีสติเรื่อยไปมันจะไม่ฝันไม่หมดเวลาไม่เสียเวลาไม่เสียพลังงานกายนอนอยู่ในห้องใจมันคิดไปทิ่งกันมานก็ได้โอกาสเข้ามาย่ำยีกายเข้ามาย่ำยีจิตใจเอากายไปกายมันก็เอาไปใช้ไปเสพไปติด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 กายมาเป็นพลังเสริมสร้างให้เกิดสติจิตใจมาเป็นพลังเสริมสร้างให้เกิดสติแต่เราไม่ใช่กายใช่ใจให้สร้างสติเขาก็ไม่ร่วมมือหรอกก็ที่งกันไปเอสติไม่มีในกายในใจเราก็เกิดดพเกิดเกิดพบเกิดภูมิต่างๆอันนี้ภพภูมิชีวิตของคนเราไม่เหมือนสัตว์ในร่ชาน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 สู่จุดหมายปลายทาง อ, อันสูงสุดของชีวิตชีวิตเป็นศึกหายในะเสื่อมลงไปอบายภูมินั่นเป็นอย่างนี้ชีวิตเราทางสี่แท่งเรายืนอยู่บนทางเนทางสี่แท่งทางหนึ่งก็ไปสู่บายภยูมิทางหนึ่งก็ไปสู่ ขมโลกทางหนึ่งไปสู่เทวโลกทางหนึ่งไปสู่มรรคผลนิปานมนุษย์คือยืนอยู่บนทางแล้วนี่เรายืนอยู่บนทางเรียกว่าเป็นมนุษย์ก็เห็นเห็นกันอยู่มันก็เราไปทางไหนบ้างไปทางวายยปวงไปกับความหลงวันหนึ่งเราอยู่ในความหลงมากเท่าไหร่มีความรู้เท่าไหร่ ถ้าหลงมันก็ไปสู่อบายโลภโกรธหลงเป็นอกุศลละธรรมสู่ห่มวันต่ำและโลกเปรตสุรกายสเสด็จฉานทำบาปทำกรรมอิจฉาเบียดเบียนกันไปถ้ารู้สึกตัวถ้ารู้สึกตัวมันก็ไม่ไปสู่อบายยกขึ้นมา ไม่ศีลแล้วเราความชั่วแล้วคนไม่ความรู้สึกตัวทํำความดีแล้วจิตบริสุทธิ์แล้วไม่ศีลแล้วบ้นะไม่ทำแล้วรักษากายวาจาใจเรียบร้อยไปแล้วไม่ความละอายต่ำความชั่วเกรงกลัวโกตบากเป็นเทวภูมิแล้วไม่ก่อคิดไม่ก่อพูดไม่ก่อทำความชั่วทั้งห้าย ไอ้ว่าโลกกะบานคลุ่มคลองแล้วกบ็บานบานบ่อไปไหมสระอารอเรือนะหมายถึงคลุ่มคลองรักษาไม่ตกไปในที่ชั่วคนมีสติก็ไปแล้วพาดภูมิเทวบรภูมได้มาเกิดมีความ มีสติรู้เห็นอกเห็นใจมีความเมตตากรุณาเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนพูดเสียงใดทำเสียงใดคิดเสียงใดมีความเมตตากรุณาออกหน้ า, าออกต า, ตาเป็นภูมิของผมว่โลก <c oughs> ไปแล้วหมดไม่ได้เอาความหลงไม่ได้เอาความรักความชางังไม่มีอารมณ์ <c oughs> ที่จะมาสั่งงานสั่งการ หลุดเสียงใดคิดเสียงใดทำเสียงใดประกอบด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังในหมู่มิตเพื่อนผงเสีงต่างๆนี่มันเกิดขึ้นมาในขณะที่เรามีคีวิตแต่บางคีวิตมีเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงความร้อนความชาง่งความวิตกเศร้าหมองความลังเลสงสวยหมกหมุน่นโมวหมง ไม่ใช่อย่างนั้น <c oughs> แก็อย่างนั้นก็ลงโทษตัวเราถ้ามีความร้อนต่อความชั่วเจยงกลัวต่อบากแม่ก็พูดแม่ก็ทำไม่ก็ ค, คิดในสิ่งที่เลวร้ายมันก็ไม่ลงโทษเราหมดโทษชีวิตหมดโทษหมดโจดหมดไัยยิย่งมีเมตตาก้วยนกะ็ยิ่งหมดโทษไข่ชีวิตพวกนี้มีอายุยืนยาวมาก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 วันนี้เดี๋ยวนี้ด้วยไม่ใช่พงนี่เลยเกิดขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็ก้าวขึ้นไปเรื่อยๆจนเป็นพระพระแปลว่าประเสริฐบริสุทธิ์หมดโจรเจากเครื่องเศหมองใจมีโรคมีโกรธไม่หลงเป็นต้นชีวิตประเสริฐคือความเป็นพระ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 ผลประโยชน์เกิดขึ้นจากกายประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์โลกประโยชน์แจ้าพราติยานะประโยชน์เกิดเจมากผลในผนเอาไายนี่แหละเอาใจเข้าไปทำความดีคือประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากกิจจากใจนี่ก็มีมากมายช่วยผู้ช่วยคนช่วยใครอะไรต่างๆได้ทั้งนั้นใจที่มันดีใจที่เปิดศร วาจาก็พูดออกไปได้ยินได้ฟังเป็นปิยะวาจาวาจาที่เป็นสุภาษิตสุดจริตไม่มีรับลมคมหน่อยพูดบริสุทธิ์ไปช่วยบอกช่วยสอนไปช่วยให้เกิดความงามความดีเพราะวาจาเช่นพระพุทธเจ้า สอนพวกเราเราเราสสะสาวกทั้งหลายก็จำเอาเจำเอาจำเอาจำเอ า, เอ า, เอาหลายชีวิตก็จำเอาคนละทิศละทางอ่าอนอนนท์นี่จำ <c oughs> ได้มากกว่าหมูพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมนาที่ใดอา น, นนท์จำได้แม่นสมัยก่อนไม่มีซีดีไม่มีมวนเทพ ใส่การจำเอาแต่ใช้ชีวิตแต่จำเอาความดีมันก็ติดแั้วก็จำง่ายเหมือนแต่ก่อนเราไม่เคยรู้จักเลขเ <c oughs> บอร์โทรศัพท์ไม่เคยคิดเรื่องอ้าวพอมามีโทรศัพท์มีเบอร์ของเพื่อนที่นั่นที่นี่อ้าวบทีเราไม่ต้องเขียนเราจำเกิดจำได้ ของเพื่อนของเมตของผู้คนท่้งหลายคือเราใชยมาทางนี้มันก็เกิดก็เกิดคล่องตัวการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกัน <c oughs> เราใชยชีวิตมาทางนี้มันก็เจริญในทางนี้การโนนก็จงึงจำได้มากถ้าจำได้มาจำได้มากาาก็มาเขียน บันทึกเป็นตัวหนังสือจนว่าถึงพวกเราทุกคนนี่เพราะใช่ชีวิตมาทางนี้เกิดคุณงามความดีความดีนี่ก็กลายมาเป็นธรรมเป็นวิ น, นัยมาเป็นศรรีลมาเป็นสมาธิมาเป็นปัญญาของผู้ของคนทั้งหลายเราก็ได้รับอเนกสงฆ์จากสิ่งเหล่านี้มาเจริญสติไม่เคยมีใครบอก เอากายมาสร้างความรู้สึกตัวน่ะยอยสามสิบปียี่สิบแปดยี่สิบเก้าปีลูกได้ยินเรื่องนี้ก็เลยเอ๊ะเราก็ฝึกหัดสมสมไปคนที่สอนก็สอนสมสมแค่ก็ไปอย่างนั้นเราอยังไม่ชัดเจนพอหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียน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 เวลาวันนี้วันอะไรเดือนอะไรขึ้นกี่ยวข้อหลงแล้วจะไม่ได้นี่เรื่าหลงธรรมดาไม่เป็นโทษเป็นภยัยแต่ว่าเสียเสียหายบ้างแต่ว่าไม่ผิดศนะีลนะหลงรูป ก, กุญแจเนี่ยไม่ให้ผิดศีลแต่ว่า้า <c oughs> เป็นศีลก็เป็นศีลศีล ส, ส่วนตัวเสียหายไม่เป็นส่วนรวม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 หลงใจเป็นโทษหลงกว่าไปอีกจิตนิส่ยจิตนิส่นิสใสอนุสัยอนุส่อนิสัยนั้นหลงอย่างละเอียดไม่เห็นตัวเองหลงในความอุปทานในอาการต่างๆ เพรานั่นความหลงนะผ่านตาของความรู้สึกตัวหมดไม่มีอะไรรี้ลับได้จะเกิดความหลงอะไรก็มาได้เลยรู้กันทั้งนั้นแหละเห็นความหลงมันมเป็นปัญญาอยากให้มันหลงอย่าให้มันทุกข์อย่าให้มันโกรธอยา่อยาให้มันอะไรต่างๆจะได้ลุดจะได้เกี่ยวข้องกับมันหมนหมอรักษาคนป่วย อยากแกเห็นหาตรวจเอาเครื่องมือวิเศษวิเศษมาตรวจจนเห็นเห็นเห็นอันนี้เขาก็ตรวจาประเทศสหรัฐเขาตรวจแก่เห็นโรควัคซีนที่เกิดไข้หวัดนกค้นพบได้อมารักษาคู่ไข้หวัดนกหาย เขาก็เจงเขาหาหาเหตุที่มันทำให้เกิดไข้วัดนกลมหายตายไปเขาหาจนพบแล้วเขาหาเขาก็พอใจเขาค้นคว้าได้การปฏิบัติทำแนวมันยิ่งวิเศษกว่าหาสิ่งที่มันหลงที่เกิดขึ้นกับกายกับใจมันเห็นมันเป็นปัญญา ก็เราอย่าไปกลัวการเจริญสตินี่มันก็ผ่านเรานี่แหละผ่านจริงแล้วนี่ลูบมันทั้งนั้นตามไปลูบไปเห็นตามความเป็นจริงเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเห็นลูปเห็นตามตามความเป็นจริงเห็นอาการที่เกิดขึ้นกับลูปกับนามตามความเป็นจริงเห็นก็ไปจน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 สักพอกไปใส่ขยเยว์ไปใส่แช่เอาไว้หลุดไปเลยหลุดไปเลยมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมดาเป็นกฎของธรรมชาติความรู้จึกตัวไปเห็นความหลงความหลงก็กลายเป็นปัญญากลายเป็นความไม่หลงนั้นไม่เบือนะดืด น, นะธรรมะนะพระพรุทธเจ้าจะว่าทำย่อมชนะอธรรมทุกเวลา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 เป็นทางไปสู่มรรคสู่ผลเห็นกระแสแห่งพระเนพานพระนเนพานก็คือมันทุกข์ก็คือความไม่ทุกข์โอ้เป็นกระแสไปแล้ ว, ลวมันหลงคือความไม่หลงเป็นกระแสไปแล้วคู่กันพอดีมันโกรธก็คือความไม่โกรธเป็นกระแสไปแล้วบอกทางให้เราแล้วนะเล่าว่าวิปัสนาญาณ เกิดจากผู้ที่เจริญสติมามีในกายในจิตใจมันไปอย่างนี้นะปฏิบัติไม่ใช่ไปเอาสุขไปเอาลูกเอามันสุกก็เห็นมันเนี่ยมันลูกก็เห็นมันเนี่ยเลยไม่เพื่อนกับอะไรเลยสติเนี่ยขอโทษมันเป็นอย่างนี้เนาสติเนี่ยไม่เปิดไม่เพื่อนกับอะไรเลยอู้ปวดหอยอู้ ก็ตื่นรุนนไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยแต่กนก็สุกสุกทุกทุกลอกลอกชังชังแบบนี้มันเหนือออกมาได้เหนือสุกเหนือทุกเหนือลักเหนือชังเหนือโลภเหนือโกรธเหนือหลงโอ้ไม่เก็เปลี่ยนไปพ้นไปอาจจะว่าสูงก็สูงไม่ถูกเสียงเรานันทับทบใจทำหนอนนี้การปฏิบัติธรรมนี่คือชีวิตของเรา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 มีความทุกข์ก็ต้องมีความไม่ทุกข์ทุกขณะมันจึงจะเป็นมนุษย์เป็นชีวิตทีว่าแม้ยังมีความหลงก็มีความไม่หลงทุกขณะถ้ามันยังมีอยู่ไม่ใช่ไปจำนวนยอมมันปฏิบัติธรรมผิดถู ก, กยังไง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 กรรมมันเป็นอย่างนี้เราทําให้ส่งมาอย่างนี้ก็เชื่อการกระทําที่เราทําดูเมื่อเราทําอย่างนี้มันเกิดขึ้นมามันเป็นอย่างนี้นั่นก็ศรัท ธ, ธาต่อคําสอนถัดศรัท ธ, ธาต่อศาสนาศรัท ธ, ธาต่อพระพุทธเจ้าศรัท ธ, ธาต่อพระธรรมพระสงฆ์ศรัท ธ, ธาแบบนี้ศรัท ธ, ธาเข้าวหน้าไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันเสื่อมไม่ใช่ศรัท ธ, ธาหลวงพ่อองค์นั้นอาจารย์องค์นี้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 จนเหมือนกับพระสารีบุตรสัทธาพระอัจารยคิอัจรคสอนเอตมาเหตุปปวะเตสังเหตุตุนตระาคโตเตสัญจะโยนิโลโทจะเอวังวัธิมหาสมโนอุปเลยเจ้าทรงสอนจิ่งต่างๆเกิดจะเหตุระดับก็ดับที่เหตุพระสมณะโคดมสอนอย่างนี้ ถราธรก็เจ้าสอนอย่างนี้ภาษาลีบุตรฟังแล้วก็โอ้คนมีปัญญาก็ได้ทันทีก็ทำไปทันทีขณะที่ฟังบรรลุธรรมได้เป็นพระโสดาบันแล้วเข้าไปพบพระพุทธเจ้าจนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นดัชารสาบก ผู้ที่อยู่เคยคิดซร้อยขวบโมคคลานะด้วยเ<ด> <c oughs> คยเคารพอจฉิเป็นอย่างมากเวลาใดได้ยินว่าพระอจฉิอยู่ทางทิศใดสัหาริบุตรจะนอนเวลานอนก็หันหัวหันศีรษะไปทางพระอจฉิพระอจฉิอยู <c oughs> ่มันก็เคารพวกเราเคารพหลวงพ่อเทียน แม่ไม่มีหลวงพ่อเทียนแล้วพวกเราก็เคารพสุดหัวใจไปที่ไหนก็เอาหลวงพ่อเทียนไปด้วยเลยว่าครูบาอาจารย์เป็นคุณลืมไม่ได้เมืค<ด>ิดถึงคำสอนหลวงพ่อเทียนทําให้เราลูบเส้นโลเทิร์มเอาต่อไปอีกถึงเรล่าพ ร, ร, ระเสบบุคถึงพระพุทธเจ้าลึกซึ้งเข้าไปเป็นชีวิตของเราไปเลย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 ผ่านความหลงกี่ข้างกี่หุนผ่านความทุกข์กี่ข้างกี่หุนผ่านความรักกี่ข้างกี่หุนผ่านความชั่งกี่ข้างกี่หุนเป็นทางผ่านของเราอย่าให้สิ่งเหล่านั้นขัดขวงขวางกันจะหยบอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเราจะอยู่ในโลกก็ต้องมีอย่างนี้น้อยเราก็เคยผ่านเคยผ่านเคยผ่านแต่เราผ่านไม่ได้ก็โลกก็ทับถมเราพอโลกทับถมเราก็ ไปไม่ได้ไไดแบกโลกคนแบกโลกกับคนอยู่เหนือโลกคนหนักอาลาาเวเป็นจักขันธาขันธ์ทั่ห้าเป็นของหนักเนอลาฐานังถูกขังหลกอย่างกันแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกการวางของหนักที่ลงเสือเป็นความสุขพระเจ้าสลัดทิ่งของหนักลงเสือแล้ว ต้องมายิยบชวยออกของหนักกันเดินขึ้นมาอีก่ะไม่ไม่หนักเบากายแลว้วหัวตาจิตแลว้วหัวตาเบากายเบาใจนี่คือได้ชีวิตชีวิตก็คือไม่เป็นอะไรกับอะไรไมีอยู่อลายอยาไม่เป็นอะไรกับอะไรนี่เป็นสุดสูงสุดนะจุดสูงสุด เหมือนเหมือนเราขึ้นเขาอขาเวลาเราขึ้นไปแล้วเขาบอกว่าจุดสูงสุดของภูเขาหลูกที่เคยขึ้นเขาเห็นลงก้าเคยขึ้นดอยสุเทพเคยขึ้นดอยอินทนนท์เคยขึ้นอะไรเลยดอนวเทพฮะสีบัเออ สูงสุดนะสีปัททะเรื่องอื่นเป็นเรื่องเล็กไปเลยหลายคนที่ขึ้นสีปัททได้ออกลับลงมาเรื่องอื่นเป็นเรื่องเล็กไปเลยสูงสุดนะลองไปขึ้นดูสิสีปัททประเทศสีลังกาเราก็อายุหกสิบเจ็ดสิบปีนี่ขึ้นผ่านมาได้แล้วคุยได้นะ สูงสุดสูงสุดของชีวิตเน่าไม่ต้องสีปบทะคือไม่เป็นอะไรกับอะไรถ้าเป็นหิมลาลัยก็ไปแล้วไปนอนอยู่หิมลาลัยแล้วประเทศเนปาลยังไม่ไปเอเวอเรตคงไม่มีโอกาสแล้วเอเวอเรติมลาลัยก็ผ่านมาแล้ว